หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดวคาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่หกวิธีปฏิบัติเจ็ดประการเพื่อทำให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งขึ้นวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่สี่ ทางที่จะเกิดผลอย่างรวดเร็วเพื่อทําให้ทุกคนมีความสุขผู้ชายส่วนมากเมื่อสแสวงหาเมียเป็นคำพูดของปอนโปรบโนผู้อำนวยการสถาบันแห่งสัมพันธภาพภายในครอบครัวในะเมืองลอสแอนเจลิส ไม่ได้มองหาผู้หญิงที่จะมาเป็นนายแต่มองหาผู้หญิงที่ยวนตายวนใจและเต็มใจที่จะประจบประแจงเขาในฐานะผู้หญิงใหญ่และทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้อยู่เหนือกว่า เหตุนี้เองผู้หญิงซึ่งมีตำแหน่งสูงตามสำนักงานต่างๆจึงมีผู้ชายเชิญไปกินอาหารกลางวันเพียงครั้งเดียวแล้วไม่เชิญอีกทั้งนี้ก็เพราะแม่หญิงคนนั้นอวดฉลาดด้วยการนำเอาความรู้บางอย่างที่ได้ศึกษาจากวิทยาลัยมาคุยอวดเป็นต้นว่าเรื่องแนวคิดส่วนใหญ่ต่อปรัชญาประจำยุคและหล่อนดื้อดึงชำระค่าอาหารของหล่อนด้วยเงินของหล่อนเองผลหลังจากนั้นหล่อนต้องกินอาหารกลางวันคนเดียว ส่วนหญิงพัฒนงานชวเลขพิมดีดซึ่งไม่เคยเข้าวิทยาลัยเมื่อถูกเชื้อเชิญไปกินอาหารกลางวันกลับผิดแปลกแตกต่างกันอย่างหน้ามือกับหลังมือเป็นต้นว่าหลนมองชายองครักของหลนด้วยสายตาเป็นประกายเยิม้มและพูดด้วยความเลื่อมใสโปรดเล่าเรื่องของคุณให้ดิฉันฟังสิคะผลชายคนนั้นบอกเพื่อนๆหลนไม่ได้สวยอย่างบาดตาบาดใจอะไรเลยแต่ฉันไม่เคยเพบผู้หญิงคนไหนพูดเก่งเท่า ผู้ชายจะต้องกล่าวคำพูดแสดงความรู้สึกยกย่องชมเชยต่อความพยายามของหญิงเพื่อเป็นคนสวยและแต่งกายเรียบร้อยน่ารักผู้ชายทุกคนมักจะลืมตระหนักความจริงว่าผู้หญิงทั้งหลายเอาใจใส่ในเครื่องแต่งกายของหล่อนอย่างฝังจิตฝังใจขอยกตัวอย่างถ้าชายหญิงคู่หนึ่งพบปากกับชายหญิงอีกคู่หนึ่งที่ถนนหญิงทางฝ่ายหนึ่งมักจะไม่มองเครื่องแต่งกายของชายอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หล่อนจะมองหญิงอีกฝ่ายหนึ่งว่าแต่งตัวสวยอย่างไรบ้างยายของข้าพเจ้าตายเมื่อไม่กี่ปีมานี้ในขณะอายุ98ปีก่อนท่านตายไม่นานพวกเราได้เอาภาพถ่ายของท่านเมื่อ30กว่าปีมาแล้วให้ท่านดูในตาอันฟ้าของท่านไม่สามารถมองภาพได้ถนัดชัดเจนและคำถามประโยคเดียวที่ท่านเอ่ยก็คือยายแต่งตัวอย่างไรท่านจงคิดดูเถิดหญิงชารา ซึ่งกำลังจะมาถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้วต้องนอนจมอยู่บนเตียงตลอดเวลาอ่ อ, อนระหวยโรยแรงจนลุกไม่ขึ้นจากอายุอันยืนนานเกือบร้อยปีความจําของท่านก็ลางเลือนอย่างรวด เ, เร็วจนกระทั่งจําไม่ได้แม้แต่ลูกสาวของท่านแม้กระนั้นยังสนใจว่าท่านแต่งกายอย่างไรเมื่อสาสิกว่าปีมาแล้วขณะท่านกล่าวคําประโยคนี้ข้าพเจ้าอยู่ข้างเตียงของท่าน คำถามนี้ประทับใจข้าพเจ้าอย่างแน่นสนิทโดยไม่มีวันหลุดถอนไปเสียได้ท่านที่เป็นชายซึ่งกำลังอ่านเรื่องนี้ในตอนนี้จะไม่สามารถจำได้เลยว่าท่านแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงชุดอะไรหรือเสื้อเชิ้ตตัวไหนเมื่อห้าปีมาแล้วและท่านไม่เคยมีความประสงค์เลยแม้แต่น้อยที่จะจดจำมัน ส่วนผู้หญิงหล่อนไม่ได้อยู่ในลักษณะเดียวกันซึ่งเราพวกผู้ชายควรตระหนักความจริงในเรื่องนี้ชายหนุ่มฝรั่งเศสชั้นผู้ดีได้รับการอบรมให้ชมเสื้อผ้าและหมวกของผู้หญิงว่าสวยงามอย่างไรบ้างและไม่ใช่ชมเพียงครั้งเดียวหากหลายๆครั้งระหว่างการพบป่าสังสรรค์กันในตอนค่ำ เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังผู้ชายฝรั่งเศสห้าสิบล้านคนจึงไม่เคยบกพร่องในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้หญิงข้าพเจ้ามีเรื่องที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ารู้ดีว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแต่มันแสดงถึงข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งข้าพเจ้าจะนํามาเล่าให้ฟังเรื่องบ้าบอนั้นมีดังนี้ หญิงชาวนาคนหนึ่งหลังจากทำงานหนักในท้องนามาตลอดวันเอาฟางกองหนึ่งวางลงเบื้องหน้าญาติพี่น้องผู้ชายของหล่อนญาติเหล่านั้นเกิดชิวที่หล่อนทำเช่นนั้นจึงด่าว่าหล่อนเป็นบ้าไปเสียแล้วหล่อนตอบเอ๊ะพวกแกสังเกตเห็นด้วยหรือฉันได้หุงหาอาหารให้พวกแกกินมาเป็นเวลาถึงยี่สิบปีและตลอดเวลาฉันยังไม่เคยได้ยินพวกแกพูดเข้าหูเลยว่ากินฟางเข้าไป พวกคุณนั่งที่ชอบอาหารรสสูงในกรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อครั้งโน้นมีมารยาทในเรื่องนี้ดีมากในสมัยนั้นรัสเซียปกครองโดยพระเจ้าซาและเป็นธรรมเนียมของพวกผู้ดีเมื่อเขาต่างได้กินดินเนอร์อันโอชาแล้วเขาขอร้องให้หัวหน้าคนครัวเข้ามาในห้องกินเลี้ยงเพื่อให้รับการแสดงความยินดีจากพวกเขาที่สามารถปรุงอาหาร อ, ร, อร่อย ทำไมท่านจึงไม่นำเอาวิธีนี้มาใช้แก่เมียของท่านบ้างคราวหน้าถ้าหากหล่อนปรุงอาหารถูกปากท่านท่านจงอย่าลืมบอกหล่อนว่าท่านพอใจในรสอันโอชานั้นและท่านไม่ได้กินฟางแต่กินอาหารที่อริดอร่อยหรืออย่างที่เท็กซัสกิ น, นันเคยกล่าวจงช่วยสนับสนุนกําลังใจแก่ยอดชีวิตของท่านให้มากที่สุดและขณะท่านตั้งใจจะชมเชยหล่อนอย่าได้กลัวเกรงที่จะบอกหล่อนว่าหล่อนมีความสําคัญต่อความสุขของท่านอย่างไรบ้าง ดิสเรลีเป็นรัฐบุรุษยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศอังกฤษเคยมีมาก่อนแม้กระนั้นดังเราต่างได้อ่านมาแล้วเขามิได้อายที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าเขาเป็นหนี้แก่ยอดชีวิตของเขามากมายเพียงใดบ้างเมื่อไม่กี่วันมานี้ข้าพเจ้าอ่านนิตยสารฉบับหนึ่งข้าพเจ้าได้พบเรื่องนี้เข้าเป็นเรื่องการสัมภาษณ์เอสดีเคนเตอร์ผมเป็นหนี้เมียของผมเอสดีเคนเตอร์กล่าวยิ่งกว่าเป็นหนี้ใครทั้งนั้นในโลกนี้ เมื่อสมัยผมเป็นเด็กหนุ่มหล่อนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมหล่อนมีส่วนช่วยเหลือผมให้ชีวิตก้าวหน้าและหลังจากเราแต่งงานกันแล้วหล่อนเก็บออมเงินทุกๆเหรียญและใช้เงินนั้นในการลงทุนต่างๆลงทุนแล้วลงทุนอีกหล่อนนั่นเองที่สร้างโชคลาภให้ผมเรามีลูกที่น่ารักด้วยกันห้าคนหล่อนทําบ้านให้เป็นที่วิเศษสุดสําหรับผมเสมอความสําเร็จในชีวิตของผมทุกอย่างมาจากความสนับสนุนของหล่อนทั้งนั้น ในฮอลลีวูดการแต่งงานของพวกดาราภาพยนตร์เป็นการเสี่ยงอย่างร้ายกาจจนกระทั่งบริษัทประกันภัยลอยแห่งลอนดอนไม่กล้าพนันขันต่อโดยยอมรับประกันการแต่งงานของคนเหล่านี้คู่แต่งงานในฮอลลีวูดที่ประสบความสุขอย่างถาวรก็คือวอร์เนอร์แบ็กสเตอร์และวินนีเฟรดไบสันนางแบ็กสเตอร์ เคยเป็นดาราละครนำอุกโธดและเลิกอาชีพอันรุ่งเรืองบนเวทีอย่างปุบ ป, ปับหลังจากแต่งงานกับวอร์เนอร์แบกสเตอร์แต่อย่างไรก็ตามการสละอาชีพละครของหลอนหาได้เป็นเครื่องทำลายความสุขระหว่างหลอนกับเขาไหมหลอนพลาดโอกาสที่จะได้รับการปรบมือในการแสดงละครด้วยความสมเร็จอันงามของหลอนวอร์เนอร์แบกสเตอร์กล่าว แต่ผมพยายามที่จะให้หล่อนรู้สึกซาบซึ้งต่อการปรบมือของผมถ้าผู้หญิงต้องการหาความสุขอะไรสักสิ่งจากผัวของหล่อนสิ่งนั้นก็คือความยกย่องสรรเสริญและความรักอย่างสุดซึง้งถ้าความยกย่องสรรเสริญและความรักอย่างสุดซึ้งเป็นสิ่งที่ผัวให้หล่อนได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องผลตอบแทนก็คือหล่อนจะทําให้ผัวพลอยมีความสุขตามไปด้วยนั่นไงล่ะท่านดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุข กฎสำคัญที่สุดกฎหนึ่งก็คือกฎที่4ซึ่งมีดังนี้จงให้คำยกย่องสรรเสริญด้วยความสุจริตใจ